เปรียบเทียบที่น่าฟังเรื่องหนึ่งเกอเรื่องปลาไม่รู้จักบกมีความย่อของนิทานว่าปลากับเตา่าเป็นเพื่อนสนิทกันปลาอยู่แต่ในน้ำรู้จักแต่เรื่องราวความเป็นไปในน้ำเต่าเป็นสัสตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรู้จักทั้งบกทั้งน้าวันหนึ่งเต่าไปเที่ยวบกมาแล้วลงในน้ำพบปลาก็เล่าให้ปลาฟังถึงความสดชื่น ที่ได้ไปเดินเที่ยวบนผืนดินแห้งในท้องทุ่งโล่งที่ลมพัดฉิวปลาฟังไปได้สักหน่อยไม่เข้าใจเลยอะไรกันนะที่ว่าเดินอะไรกันพื้นดินแห้งอะไรกันทุ่งโล่งอะไรกันลมพัดฉิวแม้แต่ความสดชื่นอย่างนั้นปลาก็ไม่รู้จักความสุขโดยปราศจากน้ำจะเป็นไปได้อย่างไรมีแต่จะตายแน่แน่ปลาทนไม่ได้จึงขัดขึ้น และซักถามหาความเข้าใจเต่าเล่าและอธิบายด้วยสับบกปลาซักถามด้วยสับน้ำเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธปลาจะให้เต่าอธิบายด้วยสับน้ำเต่าก็อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบในที่สุดปลาก็ลงข้อสรุปว่าเต่าโกหกเรื่องที่เล่าไม่จริงทั้งสิ้นเดินก็ไม่มีผืนดินแห้งก็ไม่มี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 ความรู้ทางอาณาจักรณคนละอย่างย่อมมีลักษณะอาการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่อาจเทียบกันได้รูปกับเสียงไม่มีอะไรเทียบกันได้เสียงกับกลิ่นไม่มีอะไรเทียบกันได้ดังนี้เป็นตน้นสมมติว่าคนผู้หนึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดไม่เคยมีสัญญาเกี่ยวกับรูปย่อมไม่มีใครสามารถไปอธิบายสีเขียวสีแดงสีส้มสีชมพู หรือลักษณะอาการต่างๆของรูปให้เ ข, เข้าใจได้ด้วยความรู้จากสัญญาที่เขามีทางอายตนณะอื่นๆไม่ว่าจะอธิบายว่ารูปนั้นดังเบาทุ้มแหลมเหม็นหอมเปรี้ยวหวานอย่างไรหรือถ้าใครไม่มีประสาทจมูกมาแต่เกิดใครจะอธิบายให้เข้าใจเหม็นหอมกลิ่นกุหลาบกลิ่นส้มกลิ่นมะลิได้อย่างไร เพราะคงจะต้องปฏิเสธเขียวเหลืองแดงน้ำเงินหนักเบาอ้วนผอมดังเบาขมเค็มเป็นต้นที่เขาใช้สักถามทั้งหมดยิ่งกว่านั้นมนุษย์มีอายตนะขั้นต้นสำหรับรับรู้ลักษณะอาการต่างๆของโลกที่เรียกว่าอารมณ์เพียงห้าอย่างถ้ามีแง่ของความรู้ที่นอกเหนือจากนั้นไปมนุษย์ย่อมไม่อาจรู้และแม้แต่ห้าอย่างที่รู้ก็รู้ไปตามลักษณะอาการต่างๆเท่านั้น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 ตั ก, กะอย่างไม่ถึงไม่อยู่ในวิสัยของตั ก, กะละเอียดอ่อนเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงทราบและมีข้อความเป็นคาถาต่อไปว่าทมเราลุกถึงโดยยากเวลานี้ไม่ควรประกาศทมนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำจะรู้เข้าใจได้ง่ายสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะยอมไว กกองความมืดคืออวิชชาห่อหุ้มจากไม่เห็นภาวะที่ถวนกระแสละเอียดอ่อนลึกซึ้งเห็นยากละเอียดยิ่งนักคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงปฏิจจสมุปบาทและนิพพานจะว่าอริยสัจสี่ก็ได้ใจความเท่ากันแต่ถึงแม้จะยากอย่างนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามสั่งสอนชี้แจงอธิบายอย่างมากมาย ดังนั้นคำว่านิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจจึงมุ่งให้เป็นคาเตือนซิมากกว่าคือเตือนว่าไม่ควรเอาแต่คิดสร้างภาพและถกเถียงชักเหตุผลมาแสดงกันอยู่จะเป็นเหตุให้สร้างสัญญาผิดผิดขึ้นมาเสียเปล่าทางที่ดีหรือทางที่ถูกควรจะลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงเพื่อรู้เห็นประจักษ์ชัดกับตนเอง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 ยังรู้ตามได้ยากในเมื่อนิพานเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยังรู้ตามได้ยากเมื่ อ, อยังไม่เห็นก็นึกไม่เห็นเมื่ อ, อยังไม่เข้าถึงก็คิดไม่เข้าใจถ้อยคําที่จะใช้บอกตรงๆและสัญญาที่จะใช้กาหนดก็ไม่มีดังได้กล่าวมาชะนี้จึงน่าสังเกตว่าในการกล่าวถึงนิพานท่านจะพูดอย่างไรหรือใช้ถ้อยคาอย่างไร